องหกแห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสัยภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แแมอื่นอีกจะพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยไม่ได้คือ 1. เป็นผู้มีศิลวิบัติในอธิศิน 2. เป็นผู้มีอาจจารวิบัติในอัชฌาจารสามเป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติในอัติทิฏฐิ 4. เป็นผู้ได้ยินได้ฟังน้อย 5. เป็นผู้มีปัญญา3 6มีพันษาหย่อน5ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หกเหล่านี้แหลจะพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยไม่ได้วงเล็บห้า